สังเกตว่าพวกเราแต่ละคนกว่าจะมาเจอทางปฏิบัติธรรมได้ไม่เหมือนกันบางคนหลงทางเยอะใช่ไหมต้องไปเล่นของก่อน <c oughs> <c oughs> เอออย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ทำไมมันต่างกันคนเราในี่เพราะกรรม <c oughs> เราอาจจะไปเคยพาคนหลงทางมาเราก็เลยต้องหลงบ้าง <c oughs> คนที่มาถึงถูกเป๊ะเลยนี่ก็ ไม่มีกรรมแบบนั้นก็เจอทางเลยก็เป็นกรรมไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าเขา อ, อะไรไม่ใช่อันนี้เป็นกรรมทั้งแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็เราโชคดีแต่จริงๆก็คือเรามีบุญนั่นแหละเราไม่มีกรรมแบบนั้นเพั้นทุกคนก็มีกรรมแบบเป็นของส่วนตัวสังสารวัตนี้มันซับซ้อนนะ พวกเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเลน่นลับลีรลับโดยเฉพาะเรื่องกรรมนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเลยครับ ว, ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอาจินตใยถ้าเราอยากจะรู้ทุกเรื่องเนี่ยเราจะเป็นบ้าพระพุทธเจ้าไดยสอนสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าให้พน้นไปจากสังสารวัตรนี่พ้นการเกิดไปให้ได้เมื่อเราพ้นการเกิดไปเนี่ยมันก็ไม่มีกรรมแล้ว หรืแม้กระทั่งว่าเราปฏิบัติทำจนวันหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งเนี่ยเราก็อิสระจากตัวตนเราไม่มีความเห็นผิดเราไม่มีวิชาทิฏฐิแล้วพอเราไม่มีแบบนั้นปุ๊บกรรมอะไรที่มันเข้ามาเราต้องรับแต่มันไม่มีทุกเราก็ต้องตายแบบนั้น เพราะว่าเราไม่สามารถจะล้างกรรมได้ล้างกรรมแก้กรร ม, มนี่ไม่มีในศาสนาพุทธแล้วก็ไม่มีจริงด้วยมันอาจจะเป็นแค่การเอ็กเทนออกหรือว่าการอะไรก็ได้แต่มันไม่มีทางหายไปแต่ทางเดียวก็คือว่าเราต้องพนพ้นไปจากตัวตนไปพ้นจาก ความยึดมั่นถือมั่นในในร่างกายใจิตใจเราอันเนี้ยแล้วจะกรรมมาอะไรเราก็เข้าใจได้ว่าต้องอรับอย่างเงี้ยทุกไหมก็ทุกอะร่างกายนี้มันเป็นทุกอะร่างกายนี้เป็นทุกนะแต่เราไม่ทุกเลยเฉยเราก็แค่อยู่กับมันต้องอยู่กับมันก็ต้องอยู่กับมันคนเราถ้ามันไม่ทุกมันก็ประมา่มันก็ใช้ชีวิต เพลินๆไปวันๆแล้วก็ตายโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งการที่เราหลงเพลินไปวันๆปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนอาบน้ำกับแปรงฟันงันวันที่เราตายจะเป็นวันที่เราต้องเสียใจที่สุดเพราะเราทิ้งเวลาที่ อย่างน้อยสมมุติเราจะปิดอบายภูมิได้นี่เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเราไม่ทำแล้วพอเราตายแล้วก็จะไปสูงกว่ามนุษย์อันนี้เป็นเหมือนจับฉลาดอาจจะได้ก็ได้แต่อยากให้ทุกคนคิดไปก่อนว่าไม่ได้ต่ำกว่ามนุษย์นี่เป็นโอกาสใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นในงานสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ที่เราเห็นอยู่แล้วก็ไม่เห็ น, นจะมีเยอะขนาดนี้ได้ยังไงพราในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆงานอดิเรกทำนิดหน่อยใช้ได้แล้วทำแล้วเอาเวลาที่เหลือไปเที่ยวไปเล่นไปปุ้งส้านทำเรื่องป้าๆบอบ พิจารย์คนนั้นติคนนี้หลงโลกชีวิตแบบนี้มีแต่ความตกต่างแะมีความเจริญเราต้องปฏิบัติธรรมเหมือนเราหายใจเราหายใจตลอดเวลาเราก็ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาติดเรามีสันดานส่งออกสันดานหลงโลกสันดานของความปรุงแต่งสรพั ตัดสินนู่น น, นี่นั่นวิจารณ์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาถ้าเราเชื่อเรื่องชาติที่แล้วมีชาติที่แล้วมานับไม่ถ้วนเราต้องรู้ว่าเราหลงโลกมานานขนาดไหนเราหลับมานานขนาดไหนแล้วแล้วเราจะบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมชั่วโมงแล้ว เอาเท่นี้แหละเดี๋ยวเราจะเป็นปัสโสดาบันอันนี้เป็นบ้าอันนี้สิแล้วก็เราสร้างเส้นทางใหม่เปนเส้นทางของอริยมรรตที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้การสร้างเส้นทางเหมือนเราสร้างถนนเนี่ยคนงานสร้างถนนเนี่ยถ้ามันสร้างมาละชั่วโมงเราจะมีถนนในประเทศไทยมันสร้างทั้งวันเห็นไหมบางทีรีบต้องมีชีพกันคืนด้วย เขาก็รีบท่าเหมือนกันเส้นทางของอริยมรรคเราก็ต้องใช้ทุกนาทีให้มีคุณค่าพูดถึงเรื่องอริยมรรคก็จะต้องพูดอีกสักหน่อยเคยพูดแล้วฟังบ่อยๆก็ดีอริยมรรคไม่เป็นทางเดินไปสู่ความเป็นอร ah. ิยะเราเรียนมาเนี่ยมัน มีหนึ่งถึงแปดแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องไปทำมรที่ละข้อทำมรที่ละข้อนี่เป็นไม่ใช่อริยมร น, นี้เป็นมรมากทำหลายข้อ <laughs> การเดินทางในเส้นทางของอริยมรไม่ใช่การทำไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นเราไปแปลตามหนังสือกันเยอะเกินไป ยนเจริญกุศลละกุศลรักษากุศลนี้ให้มันอยู่ก็แปลนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมเราไปอ่านอย่างนั้นเนี่ยไปฟังมาอย่างนั้นเนี่ยพ้าเราลองคิดกันดูได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทําทันทีเลยอกุศลเกิดเราก็จะละมันกุศลเกิดเราก็จะประคองมันไว้รักษามันไว้ เพราะฉะนันคนไม่เข้าใจเรื่องอริยมรรคแล้วเราสอนคนอื่นให้ทำเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนนั้นก็จะคิดตลอดเวลาเพราะอะไรทำไมไปถึงคิดเพราะเราต้องคิดว่านี่เป็นอกุศลเราถึงจะละเราต้องคิดว่านี่เป็นอกุศลเราต้องไอดเนติฟายมันเราถึงจะรักษามันเอาไว้ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราเห็นเราสักว่าเห็นเฉย เรารู้อะไรเราก็รู้เฉยๆคำว่าเฉยๆนี่ไม่มีไอดีนติฟายเลยทั้งนั้นอะไรก็ได้ที่ผมบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยมันมีในโลกแต่มันไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเพราะเราไอดนติฟายมันเพราะฉะนั้นปรามัดก็คือการที่เรารู้ในรัศนัยเป็นอาการเฉยๆมันเป็นอาการเกิดขึ้นเช่น จิตใจนี่ก็เพื่อมหวั่นไหวถ้าเราปกติอยู่บ่อยๆล้วปกติอย่างตอเ น, นี่เราเห็นมันก็เพื่อมหวั่นไหวนี้เราต้องบอกมันไหมว่ามันดีหรือไม่ดีเราไม่ต้องปอเราเห็นเป็นอาการอะไรเอามันก็เพื่อนมันขยับแล้วมันวิ่งพลวดไปแล้วอะไรก็ตามที่เรายากจะอธิบายอาการนั้นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอริยมักมีองค์แปด มันมีองค์8ดก็จริงแต่การเดินทางในอริยมรตมีแค่ขณะเดียวหมายความว่าสัมมาทิฏฐิข้อแรกของอริยมรมีองค์แปดมันเป็นสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตละไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแบบโลกิยะแบบโลกิยะนี่กรรมมีจริงบุญบาสมีจริงพ่อแม่มีจริง บูชายันมีจริงเป็นสัมมาทิฏฐิแบบโล ก, กียะอยู่ในโลกใช้ในโลกแต่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าสอนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแบบโล ก, กุตละซึ่งอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิแบบโล ก, กุตละก็คือการที่เราเนี่ยได้เข้าไปเห็นธรรมชาติเดิมแท้ที่พวกเราทุกคนมีอยู่แล้วสภาพเดิมแท้นั้น เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถบอกให้ใครฟังได้จนกว่าคนคนนั้นจะเข้าไปรู้จักสภาพนี้ด้วยตัวเองซึ่งในสมัยนี้เราก็เรียกกันว่าการที่เรารู้จักจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้มันประพัดสอนอยู่แล้ว ให้รู้จักมันเอาไว้บางคนบอกมันประทัดสอนแต่ไม่บริสุทธิ์ก็มีมันประพัดสอนมันสว่างสวัยแต่มันไม่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ถูกต้องมันยังไม่บริสุทธิ์แต่เรารู้จักมันบ่อยนี่แหละมันจะบริสุทธิ์มันจะขัดเกลาตัวมันเองมันจะค่อยๆขัดเกลาไอ้อสวะรทั้งหลายที่มันคอยที่จะปกปิดมันอยู่เนี่ย ที่มันนอนเนื่องอยู่ในนี้ถ้าเรารู้จักมันบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็คือ <c oughs> เห็นความเป็นปกตินี่แหละความเป็นปกติเป็นตัวแสดงถึง <c oughs> สภาพ <c oughs> ที่เราได้เข้าถึงจิตประภัสสรแล้วก็คือไม่มีความกระเพื่อมบั่นไหวอะไรเมื่อเราได้เข้าถึงสภาพ <c oughs> อันนี้ปุ <c> ๊บ <oughs> บ่อยๆบ่อยๆ <oule> ความปรุงแต่งต่างๆก็ลดลงมันลดลงก็คือ ทางสายใหม่นี่กําลังเกิดขึ้นก็คือทางของอริยมรคมีบัาลังเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี่รู้จักทางสายใหม่ทางของอริยมรคมันจะไม่ไปทางสายเก่ามันก็คล้ายๆมันจะสร้างถนนสายใหม่ออกมันไปได้วยไปไคุ้นชินกับทางนี้แทนเหมือนเปรียบเทียบ ว, ว่านี่เป็นถนนถนนต้องเป็นหินเป็นอะไรก็ตามทีถ้าเราจเจริญทางนี้ทางสัมมาทิฏฐิทางนี้ เราจะสร้างถนนเส้นนี้เราก็เอาหินจากถนนเส้นนี้มาวางวางไว้ที่วางไว้ที่ถนนเส้นใหม่แทนสุดท้ายถนนเส้นนี้มันก็ไม่เหลือใช่ไหมมันไม่เป็นถนนแล้วเพราะไม่เป็นถนนแล้วจิตใจมันไม่ไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ถนนอีกแล้วเปรียบเทียบมันเป็นแบบนี้เพระฉะนั้นในขณะที่เราจเจริญจิตอยู่เป็นความเป็นปกตินี้เนี่ยเรากำลังสร้างทางของอริยามรรคเนี่ยในขณะเดียวกันเรากาลังล้างกิเลส กำลังล้างอาสวะอยู่ในขณะเดียวกันปฏิจจะสบปบบาทสายดับกํลาลังดับอยู่กํลาลังเกิดขึ้นแล้วเพราะนัทางแห่งความเป็นปกติจะทํางานพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายว่ามันเรียกอะไรมันจะทําอะไรมันจะชื่ออะไรมันจะยากกระดับไหนพระพเจ้านี่แจกแจงเยอะเพราคนมีหลายประเภทคนนี้ต้องสอนอย่างนี้คนนี้ต้องใช้มุมนี้สอนคนนี้ต้องใช้มุมนั้นสอน พระเจ้าจะต้องแจกแจงเยอะมากเพื่อให้คนหลายคนเนี่ยเข้าถึงทุกหมู่เหล่าได้แต่ถ้าวันนี้พวกเราฟังตรงนี้แล้วเข้าใจธรรมะมาเยอะแล้วเข้าใจตามความคิดมาเยอะแล้ววันนี้เราถึงเวลาเริ่มเดินทางเราเริ่มเดินทางตรงนี้สิ่งทั้งหลายที่เราฟังมาที่เราเรียนรู้มาเนี่ย มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกตามหนังสือแต่เราฟังมาเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้ถ้าเราฟังตามหนังสืออันนี้เป็นทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการที่จะเข้าถึงผลลัพธ์แบบนั้นเนี่ยฟังไปแล้วก็ที่บอกแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเฉยเฉยเรายังไม่ได้เรื่องปฏิบัติทํา การเดินทางของอริยมรรคมีองค์แบบเริ่มจากสัมมาทิฏฐิเข้าถึงสภาพเดิมแท้นี้สภาพเดิมแท้ไม่ใช่เรื่องวิจิตปิสดารไม่ใช่เรื่องวิริสมาลาที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้เข้าได้แต่บ้านนั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่จิตใจทุกคนลองดูปกตินะปกติอยู่มันมีอยู่แล้วมไม่ใช่ต้องไปหาอะไรถึงไหน มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเราชอบไปหาพระอรหันต์ข้างนอกกันแล้วเรามากักจะโดนหลอกด้วยมารู้ทีิไม่ไมใช่พระอรหันต์นี่หรอกเพราะฉะนั้นหาพระอรหันต์หาที่ตัวเองตัวเองนี่แหละเป็นพระอรหันต์ทำตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้จกักว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงก็ตัวเราเป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นทางเดินเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้จักความเป็นปกติในขณะนั้นสัมมาทิฏฐิโล ก, กุตระนี่เกิดแล้วในขณะนั้นสัมมาอีก7ข้อที่เหลือเกิดแล้วเกิดในขณะเดียวกันมันเปรียบเส ม, มือนทุกเก้าที่เราเดินอยู่บนเส้นทางของมัดหนึก้าที่เราเดิน ด้วยความที่จิตใจนี้ปกติอยู่ปึ้งทุกเก้าของเราประกอบด้วยมักมีองแปดทันทีถ้าจะเปรียบเทียบในกะารที่เราปกติมีไม่อกุศลไม่มีเป็นกุศลไหเป็นเรากำลังทำการงานที่ชอบอยู่ใช่มใช่เรากำลังมีสติอยู่ใช่มใช่เรากำลังมีสมาธิอยู่ใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นทุกก้าวของการเดินทางบนเส้นทางของอริยมรรคมีองค์แปดคือขณะเดียวที่เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วองค์ธรรมทุกอย่างมันจะรวมลงอยู่บนสัมมาอยู่ในสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะฉะนั้นต้องเลิกการที่จะไปทาสัมมาทีละข้อทีละข้อทีละข้อต้องเลิกพิจารณาธรรม เห็นอะไรเป็นไม่มีตัวตนเป็นไม่เที่ยงเป็นอันนี้เป็นคิดหมดขณะที่เราปกติอยู่สภาพสภาวธรรมทั้งหลายผ่านมาผ่านไปแล้ก็รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ต้องสนใจมันแล้วก็มีหน้าที่อะไรรู้สึกตัวดูใจเป็นปกติั้มคนผ่านไปหน้าบ้านผ่านไปผ่านมาเราต้องไปยุ่งเหมือนทุกคนะใช่ไหมแลาว้องยุ่งกับมันแล้วก็ยูอยู่ผ่านไปผ่านมา การสรุปเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจที่มันเห็นสิ่งที่มันซ้าไปซ้ามาซ้าไปซ้ามามีอาการเดียวกันจิตใจนี่มันเรียนรู้เองโดยที่เราไม่ต้องรีบไปคิดก่อนไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าก่อนว่ารู้ไหมมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ไหมว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็ดูอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ปกติอยู่นี่แหละ มีสมาธิแบบปกติอยู่แบบตั้งมั่นอยู่นี่แหละแล้วก็เห็นสภาพอะไรต่างๆไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าฉลาดกว่าเราก็แป๊บเดียวก็คงรู้ว่า อ, อ๋อทุกสิ่งมันตกอยู่ภายใตยกดไตรล่กษณ์แท้จริงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอันนี้ไม่มีตัวตนนี่เป็นผลทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้ามาบอกเราบอกเราเพื่ออะไรให้เราเข้าใจก่อนเราจะได้เริ่ม งั้นทำไงเราพุทธเจ้าดังนั้นเราจะได้เต็มใจเราจะได้มีศรัทธาที่จะเริ่มออกเดินทางกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผลมาบอกเลเราในทุกวันนี้เราทําอะไรเราไปเรียนผลแล้วเราก็ไปนั่งวิเคราะห์ผล น, นี่นะเออใช่มันเป็นอย่างนั้นนอย่างที่พระเจ้าบอกเออใช่ใช่ใ ช, ใช่ผมว่าทุกคนมีประวัติศาสตร์ของการทําแบบนี้มาหมดทุกคน สมัยก่อนอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ท่านพุทธทาสชอบมากอันมันยากเวยนะสมัยก่อนเราไม่รู้ธรรมะเลยเราอ่านแล้วเราก็อ่านได้แค่วันละหนึ่งหน้าหนึ่งบทหนึ่งหน้าจําได้ว่าใช้เวลาเยอะมากกว่าจะหมดหน้าหนึ่งเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่ามันยากต้องทําความเข้าใจเยอะมากใช้เวลาคู่มนุษย์หนะอย่างเงี้ยใช้เวลาน่าจะเป็นเดือนอ่านทุกวันเรนะจะอ่านหมด คือไม่อยากจะพลาดความเข้าใจเลยอะไรเงี้ยเพราะเราอ่านบมดแล้โอ้โหดีมากเป็นความจริงเรายึดมั่นถือมั่นเลยทุกอะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปยึดว่านี่ของเราว่านี่ตัวเรานี่เออใช่บาดจริงด้วยไปบอกคนอื่นนี่พวกเราชอบเป็นคนดีสอนคนอื่นเน่ะรู้เร็รีบสอนเลยเออปาม้านี่มัน สุดยอดเลยนะอะไรอย่างนี้ทุกทายตัวเองทําไม่ได้เขาด่า ม, มางทีก็โมโหเลยอย่างเงี้ยเอ่อเนี่ยมันทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะเราไปสนใจผลเราไม่ทําเราไม่สร้างเหตุแต่เราจริงๆคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าทำํำยังไงแล้วก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าทำยังไงวะแต่เราทําไม่เป็นเราก็ได้แต่เก็บงําความสงสัยที่เราอยากจะรู้ว่ามันทํำยังไงแต่เราไม่รู้อะเราหาคนสอนไม่ได้ เราก็ได้แต่รู้ว่าสิ่งนี้มันดีมากเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เรารู้ผลว่าผลลัพธ์ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมันมันดีแต่มันทํำยังไงล่ะแล้วทุกวันนี้เราก็ไปพยายามไม่ยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเป็นบ้ากันแบบนึงเราพยายามจะทําอะไรเราพยายามจะไม่ยึดมั่นถือมันก็เลานั่นแหละเราเคยอยู่ทางขวาเราก็อยากอยู่ทางซ้ายมั่งแค่นั้นเองเปลี่ยนทิวทัศ แต่ทางสายกลางคืออะไรมันอยู่ตรงกลางรู้เฉยๆนี่เป็นทางสายกลางไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายผลลัพธ์นี่เอาคำนี่มันออกมาเองมันเจริญออกมาเอง